บัรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการเจริญอนุสติในข้อที่เป็นพุทธานุสติธรมานุสติและสังคานุสตินั้นย่อมอำนวยผลให้แก่ผู้ที่เจริญระลึกสามนัยยะด้วยกันประการแรก เป็นการเพิ่มภูณสถาภาษาทะให้สูงขึ้นภายในจิตใจของตนซึ่งก็อำนวยผลให้มีความสว่างความสะอาดปรากฏภายในจิตประการที่สองเป็นการสร้างความสงบตามหลักของสมถกรมรมฐานคือจะทำให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตโดยอาศัยตั้งสติระลึกอยู่ พี่พุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณซึ่งเมื่อจิตสงบแล้วก็จะดำเนินไปในขั้นตอนแห่งสมาธิโดยลำดับเช่นเดียวกับข้ออื่นๆประการที่สามจะเห็นเนยะแห่งพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณกว้างไกลออกไปจนน้อมใจปฏิบัติสัมผัสคุณของพระรัตนตรัย และได้ชื่อว่าเป็นพูดถึงพระรัตนตรยัยอย่างแท้จริงคือถึงพร้อมทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจอนุสติจึงเป็นธรรมะที่ใช้กันแพ่หลายในรูปแบบตา่างๆเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะดังที่กล่าวแล้วเป็นต้นไปการเจริญสังคาานุสตินั้นวิธีการเจริญก็เป็นไปเช่นเดียวกับพุทธานุสติ และธรรมานุสติคือให้บุคคลมนุิการถึงพระสังฆคุณตามที่สวดกันว่าสุปฏิปโนโภควาโตสาวกสังโฆเป็นต้นให้เริ่มสาธยายมาก่อนในเบื้องต้นเมื่อจิตใจสงบดูที่บทสาธยายแล้วต่อไปก็กำหนดรุลึกในสังฆคุณซึ่งมีทั้งหมดเป็นก้าบทด้วยกัน แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสังกคุณแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือควายที่เป็นอัตตคุณคุณส่วนตัวของพระสงฆ์และประหิตรคุณคือคุณที่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นซึ่งในการเจริญนั้นในชั้นของการบริกรรมก็บริกรรมเช่นเดียวกับอนุสติข้ออื่นๆแต่ในชั้นการกำหนดพินิษพิจารณานั้นคือการทาความเข้าใจ ในยากแข่งพระาสังกุณแต่ละข้อเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสงบเพิ่มพูนสถทาประสาทะดังกล่าวนั้นแต่ก่อนที่จะกำหนดพินิษพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมะมักจะมีปัญหาในด้านสังกุณคือการสับสนปนระกันระหว่างภิกษุที่เป็นปุถุชนกับพระอริยชน ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจในัยยะของสังฆคุณโดยกว้างๆสักก่อนว่าความหมายของพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านจำแนกออกเป็นสองฝ่ายคือควายที่เป็นสมมติสงฆ์ได้แก่ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทมาถูกต้องตามระธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางแบบอันเป็นแม่บทไว้ ใครได้บวชมาถูกต้องตามนั้นก็ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ในแง่ของวินัยอีกประการหนึ่งคือท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสั่งสอนไว้จนสามารถเข้าถึงกระแสะแห่งปณิพานือเริ่มจากพระโสดาบันเป็นต้นไปก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์ดังนั้นไตของพระ สังกัคคุณที่เราสวดกันสี่ข้อข้างต้นโดยความหมายที่เต็มรูปจึงหมายถึงพระอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นในชั้นของสมมติสงฆ์อาจจะมีความบกพร่องอยู่บ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะแม้แต่พระอริยสงฆ์เองก่อนที่จะเป็นพระอริยะท่านก็ต้องฝากวันมีการหกล้มหกล้มหกลุก ม, ม, มีความผิดพลาดเช่นเดียวกัน การพิจารณานั้นจึงควรพิจารณาในแง่ของการปฏิบัติถ้าหากว่าไม่สามารถขจัดความรู้สึกที่คุณมัวเศร้าหมองต่อประสงค์ออกไปได้ก็พิจารณาในแง่ของการปฏิบัติดีการปฏิบัติตรงการปฏิบัติขัดเกล้าการปฏิบัติสมควรว่ามีลักษณะอย่างไร ว, ว่าสุ ป, ปฏิปโนภควโตสามกสังโฆ แ่ลว่าประสงค์สาวกของพระผู้มีรพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติดีในข้อนี้ท่านอธิบายว่าการปฏิบัติดีนั้นคือการปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินยัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญิแสดงไว้อย่างไรก็ปฏิบัติไปตามนั้นไม่หนักไปในด้านที่เรียกว่า กามาสุขันนิการโยคคือหย่อนยานเกินไปและเป็นหนักไปในด้านที่เป็นอัตตกิลามัทานุโยคคือตึงเคร่งครัดจนเกินไปซึ่งการปฏิบัติทั้งสองแนวนั้นเป็นทางที่ทรงปฏิเสธไปตั้งแต่ตอนต้นแห่งปฐมเทศนาแล้วการปฏิบัติชอบอยังหมายถึงการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ได้แก่กาลเทศะบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องว่าในกรณีนั้นในบุคคลนั้นในกาลนั้นควรจะใช้ธรรมะอะไรเพราะการใช้ธรรมะถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากธรรมะนั้นเหมือนกับโอสถซึ่งมีหน้าที่กระจัดโรคตามสมควรแก่ชนิดของโอสถท์เหล่านั้นไม่ใช่ใช้ไปได้สารพัดโรค เมื่อมีโรคอย่างไรบุคคลรับประทานยาที่เหมาะควรแก่โรคเข้าไปโรคก็จะหายได้เช่นใดการปฏิบัติธรรมะจึงต้องเหมาะควรแก่ธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นอย่างในกรณีของเกิดความโกรธขึ้นมาก็ต้องมีเมตตาจิตเข้ามาแทนเจียแต่ท่านในขณะที่เกิดความโกรธอยู่ไปเพิ่มเชื้อความอาฆาตพยาบาท หือไปเพิ่มเชื้อความไม่พอใจขึ้นมันก็เหมือนกับการให้เชื้อแก่ไฟโอกาสที่ความโกรธจะสงบประงับก็เป็นไปไม่ได้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงมักจะทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมซึ่งเป็นอาการประพฤติปฏิบัติที่สืบต่อกันไปลักษณะของ สัมมาปฏิปทาคือการปฏิบัติชอบนั้นก็หาข้อยุติลงด้วยธรมว่าในข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรก็ปฏิบัติตามไปตามที่ทรงแสดงเอาไว้แม้ว่าปัญหาบางอย่างเราจะไม่แน่ใจในหลักการเหล่านั้นเนื่องจากสติปัญญาของเรายัางเข้าไม่ถึงก็ต้องปรับใจให้ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ ก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เพราะการถือปฏิบัติตามหลักที่ท่านพูดจรดสรู้และแสดงเอาไว้นั้นย่อมไม่มีภัยอันตรายบังเกิดขึ้นไม่ว่าในชั้นใดก็ตามข้อสำคัญต้องเป็นการปฏิบัติให้ชอบตามธรรมก็แล้วกันประการต่อไปเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในลักษณะไม่ถอยกลับ การปฏิบัติธรรมะเหมือนกับการว่ายน้าทวนกระแสหรือเหมือนกับเดินทางไกลแต่หากว่าบุคคลเดินไปหยุดเสียหรือว่าย้อนกลับมาข้างต้นทางโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็มีไม่ได้อย่างที่ท่านเล่าถึงคนเดินทางผ่านทะเลทรายไปพอตกกลางคืนตื่นขึ้นมาในเวลา ไร่รุ่งเลี้ยวเวียนผิดย้อนกลับเข้ามาที่เดิมซึ่งก็หมายความว่าก็ต้องเดินวนกันอยู่อย่างนั้นโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็มีไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงมีลักษณะคืบคลานไปโดยลําดับเพราะความเป็นเครื่องขัดเกลากลธรรมะหมายความว่าในชั้นแรกอาการกายอาการวาจาหรือแม้แต่จิตใจ จะไม่มีความสงบเรียบร้อยเหมาะควรตรงตามศีลตามธรรมที่ทรงแสดงไว้ก็ตามแต่ในจุดใดที่ปฏิบัติได้แล้วละได้แล้วปล่อยวางได้แล้วในจุดนั้นจะต้องไม่หวนกลับมาไม่หวนคืนมาทำเช่นนั้นอีกเพืเห็นตัวอย่างเช่นคนที่พิจารณาเห็นโทษของสุราแล้วเลิกดื่มสุรา ก็ต้องไม่หวนกลับมาดื่มสุราอีกแม้แต่การปฏิบัติในส่วนวจีกรรมหรือกายกรรมอย่างอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษบาปอันใดที่บุคคลละได้บรรเทาได้ระ ง, งับได้โทษบาปเหล่านั้นก็ไม่ควรครอบงาใจาอีกต่อไปก็ทำนองที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนโอกาสหนึ่งสมัยหนึ่ง มีการเล่นตุ๊กตามีการเล่นแบบเด็กๆหรือมีการเล่นต่างๆในวัยหนุ่มวัสาวแต่เมื่อล่วงการผ่านวัยมาแล้วมีความเป็นบินยูชนสูงขึ้นแล้วก็ไม่หัวลับไม่ย้อนมไม่ย้อนกลับไปเล่นอย่างนั้นอีกดังนั้นการเล่นบางอย่างที่เด็กเขาเล่นกันพอผู้ใหญ่ไปเล่นพระพุทธศาสนาเรียกว่าอนาจารคือมัญญาที่ไม่ควรประพฤติ มันเหมาะสมั บ, บุคคลคนหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรสม บ, บุคคลกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าคนกลุ่มหนึ่งไปทำข้าวนืงวฐานะเพศภูมิของตนไม่เหมาะที่จะไปทำเช่นนั้นการกระทำเช่นนั้นถือว่าอนาจารคือมัน ญ, ญาติที่ไม่ควรประพฤติการปฏิบัติในลักษณะไม่ถอยกลับจึงต้องมีในชั้นของศีลในชั้นของธรรมะไปโดยลาดับ ค้อนี้จะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติธรรมะที่ทรงแสดงไว้เป็นขั้นเหมือนกับบันไดบุคคลจะต้องพยายามก้าวเดินไปโดยลาดับก้าวเดินไปถึงขั้นใดแล้วก็ตามก็ต้องยืนอยู่ในขั้นนั้นแล้วก็ก้าวเดินไปต่ออีกจนถึงจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการจะขึ้นไปในชั้นของศีลจึงทรงวางศีลไว้ตามลาดับซึ่งก่อนจะมาเป็นศีลห้า แท้จริงก็เป็นการสอนธรรมะไว้แต่ละข้อเจนไม่ให้เบียดเบียนกันก็เพียงข้อเดียวบางครั้งก็สอนให้มีสัจจะสอนให้มีกามันสองบอสอนให้มีสรัารสันโดษคือยินดีในพัญญาของตนให้มีปฏิวัติจงรักภักดีในสามีของตนศี้นไม่ครบถึงห้าข้อแต่เมื่อบุคคลปฏิบัติได้ไปโดยลาดับก็กลายเป็นงดเว้น ในศีลทั้งห้าประการและเมื่อมีชันทะอุสาหะที่จะปฏิบัติให้ประเนีย่ยงยิ่งขึ้นไปเพระมองเห็นความรุนแรงของนิวรณ์ประเภทการมชันที่เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจมากวันเวลาที่ผ่านไปส่วนมากจะถูกนิวรณ์ข้อนี้กรุ่มรุมอยู่ก็ตั้งกิจเจตนางดเว้นในการที่จะรักษาศีลอุปโสตรศีลแปดจนถึงอาชีวมัตตกษศีล คำว่ า, าชีวะมัตตกะศีลนั้นหมายถึงศีลมีอชีวะเป็นที่8ได้แก่การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกาบการงดเว้นจากคำเทจคำหยาบคำสอดเสียคำเพื่อเชิดเหลวไหลและเลี้ยงชีพในทางที่ชอบซึ่งหมายถึงการเป็นเป็นการปฏิบัติตามองค์อริยมรักสข้อในส่วนที่เป็ น, นศีลสิกขา คือสมารกรมันตะการงานชอบสมาวาจาเจรจาชอบและสมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบแต่นั้นอาชีวะมัตตกัศีลศีลที่มีข้อว่าด้วยอาชีวะเป็นข้อที่แเป็นการปฏิบัติที่ประนีตขึ้นไปก็ยากกว่าการปฏิบัติอุโบสถศีลิแต่เมื่อบุคคลก้าวเดินไปได้ก็ก้าวเดินไปโดยลำดับเรื่อยๆไปแม้ในชั้นของสมาธิ ก็จะเห็นได้ว่าบุคคลจะต้องก้าวรุดหน้าไปเรื่อยๆปฏิบัติเริ่มเป็นความสงบขนาดที่เรียกว่าคณิกะคือสงบเพียงนิดๆหน่อยๆแต่เมื่อบุคคลไม่ทอ้อถอยพยายามประพฤติปฏิบัติไปปริมาณของความสงบก็จะสูงขึ้นและสูงขึ้นโดยลาดับเป็นอุปจาระสมาธิคือใกล้ความสงบที่แน่ๆเข้าไปและเมื่อไม่ถอยกลับปฏิบัติไปเรื่อยๆ มีการกระทำความเพียนที่สืบต่อกันไปไม่ละทิ้ ง, งในกลางคันจิตใจก็จะมั่นคงเป็นอั ป, ปนาสมาธิและพยายามก้าวเดินต่อไปอีกมันก็จะเป็นสมาธิระดับชาติแล้วก็ขึ้นไปโดยลำดับมีลักษณะเป็นบันไดของธรรมะอย่างนี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่เดินไปจะต้องไม่ถอยกลับ เวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการใช้ความเพียรพยายามในการที่จะต่อสู้กับกระแสกิเลสกระแสอารมณ์และบาปอกุศลต่างๆจึงทรงเน้นผลที่ควรจะให้เกิดขึ้นภายในจิตว่าบุคคลต้องปลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามมีการกระทําที่สืบเนื่องกันไปไม่หยุดแล้วเมื่อละได้เท่าไหร่ ปฏิบัติได้เท่าไร่ก็ต้องพยา ย, พยามรักษาคุณธรรมความดีในจุดนั้นเอาไว้และในขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปข้อนี้จะเห็นได้ว่าถ้ามีการปฏิบัติที่สืบต่อกันอยู่เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการทํางานการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือทําการเกษตรกรรมกสิกรรมก็ตามความเจริญก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นโดยลําดับ เพราะมีความเพียรพยายามที่สืบต่อกันไปข้าวทํานองของคนที่เดินทางมีเดินเรื่อยไปไม่ถอยกลับหรือว่ายน้ําทวนกระแสก็ทวนไปได้จะมากหรือน้อยก็ตามก็ทวนไปได้ทีละนิดทีละหน่อยวันหนึ่งจะถึงจุดหมายปลายทางเองแต่ถ้าว่ายไประยะหนึ่งแล้วก็หยุดว่ายปล่อยให้กระแทะน้ํากระแทกกลับมาแล้วก็ว่ายกันใหม่ว่ายไปหน่อยหนึ่งกระแสน้ํากระแทกกลับมาก็ว่าย เป็นการลงทุนที่เหนื่อยเปล่าเป็นการพราดผ่านเวลาแห่งชีวิตของตนไม่เกิดประโยชน์อะไรคขึ้นลักษณะของการปฏิบัติที่ไม่ถอยกลับจึงเป็นเรื่องที่จะต้องพยายามฝึกปลือให้บังเกิดขึ้นตัวอย่างพึ่งเห็นเช่นว่าการกระแทกกับทันจากภายนอกในลักษณะนี้ในขนาดนี้ ด้วยคำด่าก็ตามด้วยกิริยาการที่ไม่เหมาะสมก็ตามการสุปประมาณดูถูกดูหมิ่นจากบุคคลอื่นก็ตามเราทนได้เราไม่โกรธเราไม่โต้อตอบให้เก็บมังกรุร่มอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าได้ ห, หนึ่งปีข้างหน้าไปเจออารมณ์เช่นนั้นอีกก็จะไม่หวั่นไหวเช่นเดียกันนี่ชื่อว่าเป็นการไม่ถอยกลับแต่ถ้าหากว่าการปฏิบัติในลักษณะสวัน 3, ดี4ดี่วันไร่ ก็เป็นอาการของโรคที่ไม่ยอมหายสักทีหนึ่งชีวิตทั้งชีวิตก็ต้องต่อสู้กับเรื่องอยู่เรื่องเดียวแก้ไขปรับปรุงยันในเรื่องเดียวนั้นเดงแต่แท้จริงแล้วเรื่องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงนั้นมีมากเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่เหมาะสมดีงามเป็นผลประโยชน์แก่การพัฒนาจิตใ จ, จของตนใ้เข้าสู่ความสงบตามรอยของพระเรียเจ้าทั้งหลาย การปฏิบัติที่สืบต่อกันไปที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ามีเจ็ดจำงกันแน่แ น, แนก็ทำนองคนเดินทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไปให้ถึงนั้นมันก็เดินกันไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดผู้ที่ใช้ความเพียรพยายามเดินไปแม้จะไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการไปก็จะถึงในช่วงใดช่วงหนึ่งของเส้นทางที่ตนเดินไป ซึ่งก็ดีกว่าการไม่เดินทางไว้เฉยดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้เน้นที่จุดเดียวแต่เน้นตลอดจุดระยะทางที่บุคคลเดินไปแต่และช่วงของก้าวย่างที่เดินไปนั้นที่จริงก็ได้ผ่านเส้นทางไว้เป็นช่งชวงๆโดยดําดับบุคคลก็จะรับผลจากการเดินโดยดั่ดับเช่นเดียวกัน ประโย์ต่างๆที่ทรงแสดงไว้จึงมีเป็นสารชั้นชั้นที่เป็นทิฏฐธรรมก็กระจายออกไปเป็นลําดับลาดับแต่สรุปรวมว่าเป็นประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้ในปัจจุบันแต่ต้องอาศัยความเพียรพยายามลงมือประพฤติปฏิบัติแบบไม่ถอยกลับทุกกรณีประโยชน์ในภายภาคหน้าก็กระจายออกไปโดยนิยี่พิสดาร แต่ว่าในจุดใดก็ตามที่บุคคลลงมือปฏิบัติไปโดยไม่ถอยกลับแล้วก็จะสัมผัสผลในระดับใดระดับหนึ่งแม้ปรมัตต่ประโยชน์ก็ทรงแบ่งไว้เป็นมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งเมื่อเหยียบเข้าไปในแดนที่เรียกว่าเป็นโลกุตระก็เข้าไปก็เป็นพระโสดาพยายามขึ้นไปกว่านั้นอีกก็เป็นพระสกิตาคาเป็นต้นข้อสาคัญว่าต้องไม่ถอยกลับ ซึ่งการปฏิบัติในชั้นนี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในสัมมาวายามะก็ดีในวิริยะสัมโพชฌงกต์ก็ดีคือในส่วนใดก็ตามพวกวิริยินทรีวิริยะพร ะ, ะเป็นต้นพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมะแนวเดียวกันคือให้บุคคลปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามมีการกระทําที่สืบต่อแล้วก็ประคองจิตไว้ในจุดทีละได้ในจุดิบ่บำเพ็ญได้ ส่วนที่ควรบำเพ็ญให้พยายามสืบต่อให้ยิ่งยิ่งขึ้นจะมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางจิตโดยวิธีนี้ตลอดไปเพราะว่าการตามหลักในการปฏิบัติแล้วแม้องธรรมจะมากซึ่งบางครั้งมีความรู้สึกหวาดแล้ขยานจำนวนของธรรมะว่าทาไมมันมากได้เกินแต่แ ท, ท้จริงแล้วธรรมะนั้นเมื่อเกิดขึ้นสักข้อน ข้ออื่นที่เกิดสืบเนื่องกันมาก็จะเกิดสืบเนื่องกันไปยกตัวอย่างในกรณีของธรรมะคือขันติความอดทนเมื่อบุคคลสามารถอดทนได้ความเพียรพยายามก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาเพราะว่าคนที่มีความอดทนก็คือคนที่สามารถดำเนินไปด้วยความเพียรพยายามได้ในขณะเดียวกันเมตตาจิต ก็บังเกิดขึ้นเพราะสามารถอดทนต่อความก้าวร้าวรุนแรงการสบประมาทดูถูกดูหมิน่นบุคคลอื่นได้วียงสาวความรู้สึกเบียดเบียนความรู้สึกไม่อวิงสาวความรู้สึกไม่เบียดเบียนก็จะบังเกิดขึ้นเพราะคนที่อดทนจะไม่โต้อตอบจะไม่ด่าตอบจะไม่ประหารตอบความเข้มแข็งที่เรียกว่าอธิษฐานะและสัจจะก็จะบังเกิดขึ้นติดตาม สโสจาความสงบสุงเยี่ยมคันติความอดทนสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นต้นอาศัยฐานคือคันติเกิดขึ้นและธรรมะโดยธรรมะข้อนั้นๆก็พร้อมที่จะเป็นฐานให้ธรรมะข้ออื่นเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมะจึงต้องยึดหลักว่าพยายามสร้างเหตุเบื้องต้นให้เป็นธรรมะแล้วกันเมื่อเป็นธรรมะขึ้นมาได้แล้วธรรมะข้ออื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดเอง ที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนขึ้นมาซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นโดยอันตโนมัติแต่จะเป็นอาการเกิดที่สืบเนื่องกันไปตำนองคนที่ <c oughs> อาบน้ําอาบท่าตกแต่งร่างกาย <c oughs> อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นที่ร่างกายสะอาด และต่อแต่นั้นเสื้อผ้าอาพรสิ่งสะอาดต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาเองเพราะอาศัยกายที่สะอาดแต่ถ้ามองตรงกันข้ามถ้าร่างกายสกรปรกเปืเป่อื้อยู่มันก็พร้อมที่จะสกระปรกจะเปืเป่อนเพิ่มขึ้นไอสิ่งที่สะอาดจะเกิดขึ้นไม่ได้การปฏิบัติธรรมะและการละอกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในชั้นของสุปฏิปโนโคือการปฏิบัติดี จึงไม่ได้เจาะจงลงไปว่าจะต้องเป็นผู้บวชเท่านั้นใครก็ตามปฏิบัติดีก็ชื่อว่าปฏิบัติดีเพราะนัยยะตามความหมายของสังฆคุณในข้อที่ว่าสังฆะซึ่งแปลว่ามู่นั้นทรงใช้คำว่าสาวะกะสังโคซึ่งแปลว่ามูขแข่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในชั้นหนึ่ง <c oughs> บุคคลทั้งสี่ข่ายคือภิกษุภิกษุณีอุาบาสกอุบาสิกานั้น เมื่อปฏิบัติขัดเกลาวไปจนถึงจุดที่เป็นพระรยะบุคคลระดับแรกแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกะสังโฆด้วยกันดังนั้นใยยะของสังฆคุณที่เราสวดกันว่ายะดีดังนี่คือใครจะตาริปุริสยุกาณิคู่แข่งบุรุษษีอาทะปุริสปุกกาลาบุรุษบุคคลแป เอสาพะกะวะโตสาวกะสังขูนี้หมู่สาวกแข่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งก็หมายความว่าการปฏิบัติดีการปฏิบัติตรงการปฏิบัติเป็นธรรมการปฏิบัติสมควรนั้นมีลักษณะเหมือนเครื่องประดับใครจะน้อมนำไปประดับก็เกิดเป็นความสวยงามมีสง่าราศีขึ้นไม่จะผูกขาดไว้ว่าผู้บวชท่านั้นจะต้องปฏิบัติหรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นจะต้องปฏิบัติ พระธรรมเป็นของสากุลคนทุกคนขอให้มีศรัทธาบังเกิดขึ้นภายในจิตน้อมนำธรรมะเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะในกรณีของสุปฏิปันโนคือปฏิบัติให้ชอบตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่หย่อนยานเกินไปไม่ตึงเครียดเกิน และเมื่อปฏิบัติละความชั่วประพฤติความดีบรรเทานี้พอนไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็ต้องไม่ย้อนกลับมาสู่อำนาจเหล่านั้นอีกเงินบุคคลที่จเจริญเติบโตเป็นวินยูชนแล้วเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่หวนกลับมาเล่นอย่างเด็กอีกไม่มาเล่นตุ๊กตาแบบเด็กหรือคนที่เลิกละอบายมุกต่างๆแล้ว ไม่หวนกลับมาสู่อำนาจของอาบายามุกอีกฉะนั้นดังนั้นคุณธรรมที่กล่าวนี้จึงเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาที่บุคคลผู้มีศรัทธามีสติปัญญาระลึกรู้มองเห็นทั้งสองด้านคือด้านปฏิบัติ ด, ดีและด้านปฏิบัติไม่ดีว่าอํานวยผลให้แก่บุคคลแตกต่างกันแล้ว ก็เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบตามพระธรรมบินัยซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแสดงไว้และไม่ย้อนกลับไปสู่อำนาจของความชั่วที่ละเลิกที่บรรเทาได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการเดินไปตามเส้นทางที่พระริจ้าทั้งหลายท่านได้เดินมาแล้วซึ่งในกรณีนี้ชื่อว่าได้สัมผัสคุณแห่งประสานกา สังขรัตนะในระดับใดระดับหนึ่งตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป